สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหกรคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องลี้ลับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าเป็นเรื่องประสบการณ์ของคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลเป็นนักศึกษาสาวของมหาวิทยายลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเอกชนเธอมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่เกี่ยวกับครอบครัวของเธอเธอได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับบ้านของเปิ้ลเป็นบ้านที่มีฐานะค่อนข้างดี และเมื่อเปิ้ลเอนทรานต์เข้ามาหาวิทยายลัยไม่ติดจึงต้องเข้าไปเรียนในมหาวิทยายลัยของเอกชนซึ่งค่าเล่าเรียนสูงมากมีแต่ลูกคนรวยๆเป็นส่วนมากแม่ของเปิ้ลเคยสอนเปิ้ลว่าการที่มีเพื่อนมีฐานะดีจะเป็นการช่วยเหลือเราในอนาคตได้เวลาที่เราเรียนจบเพื่อนก็จะช่วยเราได้เช่นเพื่อนที่ผปกครองมีบริษัทของตัวเอง เพื่อนที่มี power ในการช่วยให้ฝากงานฝากการให้กับเราในบริษัทดีๆตัวเปิ้ลเองอ่ะมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อปิมปิมน้องสาวมีอายุห่างจากเปิป้ล3ามปีทั้งคู่ถือว่าเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆปิมเป็นเด็กดือ้อเอาแต่ใจตัวเองชอบแย่ชอบเล่นส่วนเปิ้ลนั้นแม่บอกว่าบางทั้งก็เป็นผู้ใหญ่เกินตัวมีนิสัยไม่ดีคือชอบหวงของน้อง และปิ่มเองก็มักจะแอบเอาเสื้อผ้าเครื่องสําอางรองเท้าของเปิ้ลไปแอบใช้อยู่เสมอแถมใช้แล้วใส่แล้วก็ไม่เก็บเข้าที่ทําให้เปิ้ล น, นั้นโมโหมากเกิดเป็นคดีความกันอยู่บ่อยที่แม่ต้องเป็นคนตัดสินอยู่หลายครั้งและเมื่อเปิ้ลเรียนอยู่ชั้นปีที่3ก็เกิดเหตุการณ์ที่จะทําให้เปิ้ลไม่มีวันลืมได้เลยตลอดชีวิตเหตุการณ์ที่ว่านั้นก็คือครั้งนั้นพ่อแม่และน้องสาว พากันไปเที่ยวที่เกาะช้างมีโปรแกรมกําหนดการเที่ยว3วันสองคืนมันเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันยาวตอนแรกเปิ้ลก็จะไปด้วยแหละเพราะจองที่พักไว้ล่วงหน้าแล้วแต่พอดีเพื่อนในกลุ่มมหาวิทยายลัยมีงานวันเกิดที่สําคัญก็มีหนุ่มคนที่จีเปิ้ลมาในงานนี้ด้วยและงานวันเกิดนี้ก็ดันมาตรงกับวันที่ครอบครัวจะต้องเดินทางไปเที่ยวพอดีเปิ้ลเลยต้องอ้างกับแม่ว่าไม่ค่อยสบาย มีประจำเดือนปวดท้องมากๆบอกว่าจะเฝ้าบ้านให้และพอหายดีก็จะตามไปทีหลังแม่ก็บอกว่าถ้าอยากอยู่ก็อยู่ไปเลยไม่ต้องตามไปเป็นห่วงนะ่ะผู้หญิงอ่ะขับรถคนเดียวมันอันตรายจะตายไปดังนั้นพ่อแม่และน้องสาวจึงได้ออกเดินทางกันแต่เช้าพอทั้งหมดออกเดินทางออกจากบ้านไปเปิ้ลก็รีบอาบน้ําแต่งตัวออกไปทําผม หาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ได้ครบทุกอย่างแล้วจึงกลับมาอาบน้ําแต่งตัวที่บ้านใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรอให้แฟนมารับไปงานวันเกิดคืนนั้นเปิ้ลมีความสุขมากถึงขนาดถูกแซวว่ามีความสุขยิ่งกว่าเจ้าของงานวันเกิดซะอีกแฟนของเปิ้ล น, นั้นทําตัวเป็นสุภาพบุรุษที่ดีให้เกียรติเปิ้ลมากต่อหน้าเพื่อนเปิ้ลมีความสุขมากในคืนงานวันเกิดของเพื่อนเมื่อปาร์ตี้เฮฮากันเรียบร้อยเสร็จสับจบ เพิ่ลก็กลับบ้านลม้มลงด้วยความสุขลืมแม้กระทั่งจะโทรหาพ่อด้วยความเพลียและมึนเมานิดๆก็เลยนอนหลับไปพอเช้าขึ้นมาเดินมาที่โต๊ะเครื่องแป้งเพื่อจะหวีผมก็ตกใจเห็นเครื่องสำอางบนโต๊ะมันเทเกื่อนกระจายไปหมดสำลีก้อ น, นเล็กๆสองก้อนที่ทิ้งอยู่บนโต๊ะทุกอย่างมันไม่เข้าที่เข้าทางกันซะเลยอารมณ์ของเปิ้นตอนนั้นพุ่งปรี๊ดต้องเป็นฝีมือของยายปิมแน่ๆเลยเปิ้นคิดในใจ แต่คิดได้สักพักก็จําได้ว่าเออทั้งบ้านก็มีแค่เปิ้ลอยู่คนเดียวนี่นะเขาไปเที่ยวกันหมดแล้วนี่ที่เกาะช้างเอสงสัยเมื่อคืนตัวเราคงจะเมามากเกินไปเปิ้ลก็ได้แต่คิดในใจว่าอืมถ้าจะเป็นไปได้จากนั้นเปิ้ลก็รีดทําความสะอาดใจหนึ่งก็ทั้งโกรธและทั้งขาตัวเองที่เผลอไปโทษน้องของตัวเองป่านเนี้ยน้องสาวตัวดีคงจะเล่นน้ําอยู่ที่เกาะสนุกสุขใจไปแล้ว เมื่อนึกถึงเกาะช้างได้ก็ตกใจเออตอนนี้ยังไม่ได้โทรไปหาพ่อเลยเอ๊แต่พ่อก็ไม่ได้โทรมาหาโราเหมือนกันนะสงสัยจะเที่ยวเพลินกันมากหรือว่าจะโทรมาเปิ่นจึงรีบไปเช็คดูที่โทรศัพท์แต่ก็ไม่มีตั้งใจว่าถ้าอาบน้ําแปลงฟันเสร็จก็จะโทรหาพ่อเลยดีกว่าแต่อาบน้ํายังไม่ทันเสร็จเจ้าชายแฟนของเปิ่นก็โทรมาหาเพื่อ น, นัดกันออกไปดูหนังอีกแล้วเพิ่นดีใจมากและทันทีที่พบกับแฟน ต้นก็ลืมทุกอย่างที่เคยเร่งด่วนลืมแม้กระทั่งจะโทรไปหาพ่อกับครอบครัวก็ไปเที่ยวสําราญมีความสุขกับแฟนตลอดวันกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนและเมืกลับถึงบ้านก็นึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเผื่อว่าพ่อโทรมาแล้วไม่ได้รับสายแต่ก็มีมีวี่ววเพราะว่าแบตโทรศัพท์หมดพอดีไม่ได้ชาร์จทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ก็ดูเวลาแล้ว ไปจะทัวไปตอนนี้ก็ดึกซะเปล่าๆพ่อแม่และน้องคงจะหลับกันหมดแล้วเปิ้นจึงล้างเครื่องสำอางเข้าห้องน้ําอาบน้ำเข้านอนอย่างสบายใจแต่คืนนั้นเองระหว่างที่กำลังเคลิมคล้มๆใกล้ๆจะหลับไฟในห้องซึ่งยังไม่ได้ปิดก็ดับกระพริบลงกระพริบกระพริบกระพริบจนสุดท้ายก็ดับสนิททั้งห้องมืดสนิทชนิดไป ย, ยกมือขึ้นก็ไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วของตัวเองพรห้องนั้นปิดทึบ พกกะว่าจะนรนแบบสบายๆอย่างดีแต่ไฟในห้องดับได้ไม่นานก็ติดขึ้นแต่ก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับที่ติดอยู่ตลอดก็มีแค่ไฟในห้องน้ําเท่านั้นหลอดไฟดูท่าจะเสียเพราะติดตดดับดับทำให้บรรยากาศภายในห้องรู้สึกน่ากลัวพิลึกแต่สิ่งที่เปิ้ลแปลกใจก็มีอีกอย่างเพราะเปิ้ลจําได้ว่าไฟในห้องน้ําเปิ้นได้ปิดลงแล้วเอ๊ะแต่ทําไมตอนนี้มันติดอยู่มันเกิดขึ้นได้ยังไง สงสัยคงจะเบลอและลืออีกแล้วมัง้งเปิ้นเป็นคนไม่เคยกลัวผีและไม่เคยชื่อเรื่องพวกนี้บ้านผีสิงที่ว่าหยองหยองที่พัทยาหรือหนังผีที่ใครๆบอกว่าดูแล้วน่ากลัวเปิ้ลไม่เคยรู้สึกกลัวเลยแต่คืนนี้เปิ้นกลับมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างไรเหตุผลแสงไฟที่ติดติดดำดำทำให้เปิ้ลรู้สึกนําคาญแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ห้องมันมืดไปทั้งห้องไฟนีออนที่อยู่เดียวห้องคงจะเสียเป็นแน่เพราะไฟห้องน้ํามันยังติดอยู่ คิดวนไปวนมาอย่างนั้นพรุ่งนี้พ่อก็กลับมาให้พ่อจัดการก็แล้วกันเปิ้ลพยายามนึกถึงความสุขที่ได้รับในวันนี้เพื่อจะได้ลืมความกลัวและเพื่อให้การนอนหลับของเปิ้ลเป็นการนอนหลับที่ดีที่สุดด้วยความสุขฝันดีกึ๊กรึ๊กึกกกกก๊เปิ้ลสะดุ้งตื่นกระดึ๊บกระดึ๊กึ ก, ก, ก, ก, กเสียงนั้นมันคือเสียงที่โต๊ะเครื่องแป้งขณะนั้นเปิ้ลก็นอนหันหลังให้กับโต๊ะเครื่องแป้งอยู่พอดี พยายามเนี้ยหูฟังเสียงนั้นอีกครั้งเสียงนั้นก็เงียบไปแต่เหมือนมีเสียงคนคนหนึ่งกําลังทําอะไรอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งใจของเปิ้ลเริ่มเต้นสั่นระรัวค่อยๆดึงผ้าห่มจนถึงคางงอขาขดตัวไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีๆไปกว่านี้แล้วเสียงทุกอย่างเงียบหายไปความเงียบในห้องทําให้เปิ้ลรู้สึกดีขึ้นทําให้คิดว่าตัวเองคงคิดมากไปจึงพลิกตัวหันไปทางโต๊ะเครื่องแป้ง แต่พระเจ้าช่วยภาพที่เห็นทำให้เปิ้ลตกใจสุดขีดมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้ากระจกกำลังก้มหน้าก้มตาหวีผมดวงตาของเปิ้ลแข็งทื่อปิดไม่ลงเหมือนได้ยินหัวใจตัวเองเต้นดังมากเวลาผ่านไปในการมองดูภาพนั้นสำหรับเปิ้ลมันนานมากหล่อนก็ค่อยวางหวีลงหยิบเครื่องสำอางของเปิ้ลขึ้นมาแล้วหล่อนก็หยิบอะไรออกจากจมูก จากแสงไฟแสงสว่างจากห้องน้ำทำให้เปิ้ลได้เห็นว่าสิ่งที่หล่อนหยิบนั้นคือสัมฤทธก้อนเล็กๆออกมาจากจมูกเปิ้ลนึกถึงสัมฤทธก้อนเล็กๆที่เห็นอยู่บนโต๊ะเมื่อเช้านี้สแสดงว่าเมื่อคืนหล่อนก็มานั่งแต่งหน้าตรงนี้แน่ๆหล่อนค่อยๆหันมาทางเปิ้ลแสงไฟจากห้องน้ำที่รีดๆติดๆติตดดำๆทำให้หล่อนดูน่ากลัวยิ่งขึ้นมากไปอีกเปิ้ลรู้สึกคุ้นๆกับชุดที่หล่อนใส่มันคล้ายกับชุดของเปิ้ล ที่น้องสาวของเปิ้ลชอบแอบมาขโมยใส่อยู่ตลอดเวลาตอนที่เปิ้ลไม่อยู่ใบหน้าของหล่อนหันมาเต็มหน้าใบหน้าบวมซีดปากเล็กๆเจอบวมเมื่อตาสองตาประสานกันเปิ้ลตกใจสุดขีดกับภาพที่เห็นลองอีสุดเสียงยังไม่รู้ตัวอีกเลยปรากฏว่าฟื้นกันมาอีกทีตัวเปิ้ลก็มานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วและข่าวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีการแจ้งข่าวว่ารถที่พ่อและครอบครัวของเปิ้ล ขับไปเสือหลักตกคูน้ำพ่อกับน้องสาวจมน้ำตายเหลือแต่แม่ที่ปลอดภัยแต่ก็ยังต้องพักอยู่ในห้องไอซียทางตำรวจแจ้งว่าหลักฐานต่างๆหายไปกับน้ำหรือไม่ก็เปียกจนเละและอ่านไม่ออกกว่าจะหาลูทางติดต่อได้โทรมาก็ไม่มีใครรับสายจึงประสานให้ท้องที่คอยติดตามต่อจนทางท้องที่ได้รับแจ้งว่าได้ยินเสียงร้องผมผู้หญิงจึงให้สายตรวจมาตรวจที่บ้าน ตำรวจตัดสินใจงัดประตูหลังจากเข้าประตูเรียกกดกิ่งอยู่นานและไม่มีใครออกมารับเข้าไปในบ้านก็ได้พบกับเปิ้ล น, นอนอยู่ที่พื้นของห้องนอนเปิ้ลไม่ได้นอนพักต่อที่โรงพยาบาลเพราะไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากแค่ตกใจจนช็อกเปิ้ลต้องการแค่จะไปหาแม่ให้เร็วที่สุดเพื่อไปรู้ความจริงกับข่าวที่เกิดขึ้นโชคยังดีที่แม่ไม่ได้เป็นอะไรมากแม่เล่าให้เปิ้ลฟังว่าแม่นั่งข้างหลังระหว่างรถกำลังตกน้ำ แม่ก็รีบเปิดประตูและมนุษย์ลงไปในน้ําขนาดนั้นยังแทบเอาตัวไม่รอดกินน้ําไปหลายอึ่งแต่พ่อกับน้องออกมาไม่ทันคงจะติดเข็มขัดนิรภัยเปิ้ลเล่าถึงน้องที่มาหาให้แม่ฟังว่าสภาพน้องวมอื่งแม่ถามว่าพ่อมาด้วยหรือเปล่าเปิ้ลก็บอกว่าเปล่าเห็นแต่น้องปิ่มแล้วก็ตกใจกลัวมากเมื่อแม่รู้ว่าพ่อไม่มาแม่ก็บอกว่าพ่อคงหมดเวนหมดกรรำไปแล้ว เหลือแต่น้องติ๋มที่ยังต้องวนเวียนอยู่โบราณว่าวิญญาณที่มีกรรมจะไม่สามารถได้ผุดไปเกิดได้จะคอยวนเวียนอาศัยขอส่วนบุญไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปและจากนั้นมาเปิ้ลก็นอนกับแม่ทุกคืนไม่กล้ากลับไปนอนที่ห้องเก่าของตัวเองอีกส่วนเครื่องสำอางก็ทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นเพราะคิดว่าเผื่อน้องอยากจะมาแต่งหน้าอีกวันนี้เรื่องลีรับจากน้องเปิ้ล ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ